ขค อ, อนุมโมทนาครับพวกเราเน่ที่ตั้งใจฟังรำกันมาตามลำดับในครั้งนี้ก็จะมาขึ้นในเรื่องของมงคลยังไม่จบต้องทบทวนมงคล38หนึ่งในมงคล38ประการก็เริ่มตั้งแต่ว่าอาเสวนาเภารานังมงคลที่หนึ่งเนี่ยมีอยู่สามงคลคือการไม่คบคนผ่านหนึ่งบัญตานันเะเสวนาการครบบัณฑิต บูชาจะปูชนียานางการบูชาผู้ที่ควรบูชาคาถาที่สองก็มีอยู่สามมงคลปฏิรูประเทสวะโสการอยู่ในประเทศที่สมควรปุเพจจักตับปุญญาตาการได้ทําบุญไว้ในปางก่อนอัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบคาถาที่สามก็มีสี่ ม, มงคลคือพาหุสัจจังการฟังมากสิปังการศึกษาศิลปะวินยโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้ว สุภาษิตาเจยาวาจาวาจาสุภาษิตคาถาที่สี่มีอยู่สี่มงคลมาตาปิตุอุปทานางการบํารุงมารดามาตามาตุอุปัทานางการบํารุงารดาปิตุอุปทานางการบํารุงบิดาปุตทธธารัสะสังกโหการสงเคราะห์บุตรภรรยาอนากราจกรรมมันตาการงานไม่อากูลแล้วก็คาถาที่ห้า ก็มีทานนันจ่าทานคือการให้ธรรมจริยาการประพฤติ ร, รมญาตการนันจ่าสังกะโหการส่งเคาะญาตอนาวชานิกรร ม, มานิการกระทาการงานที่ไม่มีโทษคาถาที่หก็มีอรารติเวรติปาปาการงดเว้นจากบาปมัชปานจาจสั ญ, ญโมการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาอปมาโดจะทำเมสุความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคาถาที่เสร็จ ที่เจ็ก็มีคาราโวโอความเคารพนิวาโตความประพฤติถ่อมตนสันตุถีความสันโดษกตันยูตาความกตันยูรู้ขุนท่านากาเลนะธรรมะสวนาคการฟังทำตามการคาถาที่8ก็มีสี่มงคลนะขันติความอดทนโส ว, วจัสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสมนานันจะดัดสนังการได้เห็นสมณะกาเลนะธรรมสากรฉา การสนทนาธรรมตามการคถาที่9ก้า็มีตโปว์ความเพียนเผากิเลสพรหมจริยังการประพฤติพรหมจันทร์อริยสัจานทัศนังการเห็นอริยสัจนิพานนสัชิกิริยาการกระทำวันนิพานให้แจ้งคถาที่สิบมีอยู่สี่มงคลพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยศนกรรมปติจิตของบุคคลใดถูกโลกระทกระทบแล้วไม่หวั่นไหวอศกังความไม่เศร้าโศก วิราชังจิต ท, ที่ปราศจากทุรีคือกิเลสเข้มังจิต ท, ที่กเกษมจากโยคะทั้งสี่นี่เป็นอย่างนี้เนึ่งครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของการสํารวมจากการดื่มน้ำมอกก็ได้พูดไปเรียบร้อยแล้วในครั้งนี้ก็มาขึ้นในคาถาในมงคลที่สามเป็นคาถาสุดท้ายคาถาที่6ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมทั้งหลายเนี่ย ในที่นั้นได้แก่กุศลแธรรมนะได้แก่กุศลแธรรมก็มีการกุศลกรรมบทสิอย่างนี้การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่โลภไม่พยาบาทไม่ไม่เป็นวิชฉาทิฏฐินั่นเขาเรียกว่ากุศลธรรมความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายก็คือการไม่ปล่อยสติในกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับความประมาทคือการหลงลืมสติฉะนั้นความไม่ประมาทในที่นี้เป็นชื่อของการมีสติทีนี้ความหมายของความไม่ประมาทมีอยู่หลายอย่างท่านในคำภีวิพังท่านบอกว่าความไม่ม <out> <borders> กระทาให้ติดต่อกันเช่นไม่กระทากุศลให้เกิดติดต่อกันเนี่ยถือว่าประมาทเช่นว่าทำกุศลเป็นพักๆใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสองวันทาบุญทีเนี่ย คือสองวันสามวันทำจิตให้เป็นบุญทีเนี่ยแต่อย่างนี้เขาเรียกประมาทแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ทำกุศลให้ติดต่อกันอย่างต่อเ น, นื่องถ้าโดยความหมายที่แท้จริงก็คือว่ามองฟังคิดดมกลิ่นริมรสสัมผัสหรือคิดเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลอย่างนี้เ็าเรียกว่าการทำติดต่อความไม่มันไม่มันในที่นั้นหมายความว่าไม่ขยนันไม่บากบัน่น ความวางฉันทะไอฉันทะเนี่ยก็แปลว่าความพอใจถ้าหากวเราวางหรือความทอดทุระเนี่ยทอดทุระก็คือทอดทุระก็คือว่าไม่เจริญคันถาทุระแล้วก็วิปัสสนาทุระคันถาทุระนี่ก็แปลว่าทุระในการศึกษาเราเรียนคําสอนวิปัสนาทุระก็คือทุระในการเจริญวิปัสนา ความไม่ส่องเสพความไม่เจริญความไม่กระทำให้มากความไม่ตั้งลงความไม่ความไม่ตามประกอบความประมาทคำที่มีเนื้อความตรงกันข้ามก็คือว่าความไม่ประมาทจัดเป็นมงคลข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถึงกุศลตั้งแต่กุศลเล็กน้อยเนี่ยคือเริ่มต้นตั้งแต่กุศลเล็กๆ น, น้อยๆเป็นต้นเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามลาดับจนถึงกุศลชั้นสูงสุดเขาเรียกว่าบรรลุมหาผลนิพพานะ ทีนี้ก็มาศึกษาว่าในมงคลเนี่ยมีประเด็นดีกว่าจะศึกษาอยู่4ประเด็น 1. ลักษณะของความไม่ประมาท 2. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 3. คนผู้ไม่ประมาท 4. มงคลจากความไม่ประมาทในธรรมเนี่ยประการแรกก็คือว่าลักษณะของความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรดังที่ได้กล่าวสักครู่บอกว่าการที่มีจิตมีสติกำกับอยู่เสมอ เพราะลำพังจิตเป็นเพียงแต่ผู้คิดพุ่นึกเนี่ยจิตเนี่ยเขามีแต่คิดอย่างก็คิดทุกเรื่องอ่ะถ้าใครมีจิตคนนั้นก็ต้องคิดเป็นไม่ว่าจะคิดเรื่องเรียนคิดเรื่องงานคิดเรื่องเที่ยวคิดเรื่องประกอบธุรกิจการงานใดๆอะไรต่างๆเนี่ยมันคิดทั้งวันไปทั่วคิดถึงคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้โดยสรุปก็คือคิดในเรื่องรูปอารมณ์ธาารมกันดารมณลักะอารมโ์บุตรารมีและธรรมารมเนี่ยคิดเป็นไปกับทวารทั้งหก นันหน้าที่ของจิตมีแต่คิดไปตามอารมณ์เท่านั้นอารมณ์ใดเป็นประธานเป็นใหญ่ในขณะนั้นจิตก็น้อมเข้าหาอารมณ์นึ่งมันจะน้อมเป็นไปตามลําดับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าลักษณะของจิตเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าเขาก็ต้องคิดนี่ในเมื่อเขาคิดแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าความคิดนั้นไม่มีสติกํากับเนี่ยจิตมันคิดไปทั่ว แล้วมันคิดทุกเรื่องที่ผ่านก็ามาทีนี้มันจะคิดดีไม่ดีอย่างไรนั้นเน่เป็นไปตามอำนาจของอารมณ์เออถ้าจิตที่มันปราศจากสติเนี่ยนะมันจะมีอารมณ์เป็นใหญ่เช่นอารมณ์นั้นมันไม่ดีจิตก็พลอยไม่ดีไปได้วยเช่นอารมณ์นั้นเป็นปฏิฆานิมิตเนี่ยนะจิตก็จะโกรธทันทีเลยจิตก็จะเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทเกิดความอาฆาตปองร้ายอันนี้เป็นอย่างนี้ แต่ถ้าอารมณ์นั้นเป็นสุภาษณิมิตเป็นอารมณ์ที่ดีเนี่ยนจิตนั้นมันก็จะติดข้องผูกพันเหนียวแน่นยึดมั่นถือมันเนี่ยถ้าอารมณ์ใดเป็นบิดถ้าหากว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างความโกรธก็โกรธอารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างความโลภมันก็โลภอารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างความหลงมันก็หลงจิตมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสติเนี่ยเป็นไปกับจิตเนี่ยเเป็นไปกับคุณธรรมก็กระตุ้นจิตให้คิดถึง ระลึกถึงตัวเองไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวอันนี้เบื้องต้นนะถ้าจิตไม่มีสติ ก, กากับกับตัวแล้วก็จะมีแต่คิดไปนอกทางภาษาก่อนก่อนก่อนะคนโบราณก็เรียกเองนี่มันคิดนอกลูนอกทางนี้ใช่ไหมไอ้คำไอ้คำว่าคิดนอกลูนอกทางเนี่ยคิดนอกลูนอกทางเนี่ยออนะไอ้นอกทางในที่นั้นก็คือนอกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันต์ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือมันนอกคําสอนอย่างหนึ่งนอกทางคือว่าทางเนี่ยเขาเรียกสัมมาสัมมามรรคเนี่ยทางในทางที่ดีทางที่จะไปเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมทางที่จะไปพระ น, นิพพานเนี่ยไม่แค่คิดทางเนี่ยมันจะคิดอีกเป็นมิจฉามิมคิดไปนั่นแหะคิดก็คิดชั่วอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ดีถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดชอบหรือไม่ชอบโลภะ กลุ่มของโลภะเนี่ยนะความยินดีความเบลิดเพลินนี่อยู่ในจิตเนี่ยนั่นแหละตัวตัวโลภะเนี่ยก็คือโลภะจิตใช่ไหมแต่ว่ามีเจตสิกมีสิ่งที่ไปเจือปนทําให้จิตนั้นเกิดความโลภเกิดความยินดีเกิดความเบลิดเพลินก็จะไปติดยึดถือในอารมณ์นั้นๆทีนี้จากนั้นตัวจิตคิดอยู่ตลอดด้วยล่ะจิตนี่จะคิดจะปัญหาคืออยู่ตรงนี้เขบอกว่าจิตเนี่ย ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเหมือนกันกับว่าเหมือนคนแก่จิตเนี่ยเหมือนคนแก่ธรรมดาคนแก่เนี่ยแก่มากๆเนี่ยเวลาจะเดินเนี่ยก็ต้องอาศัยไม้เท้าเป็นเครื่องค้ำยันไม้เท้าเนี่ยนะเขาอุปมาเหมือนกับอารมณ์จิตนั้นเหมือนกับคนแก่ฉะนั้นจิตนั้นต้องอาศัยอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยยึดเนี่ยวทีนี้ว่าเมื่อจิตอาศัยอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยยืดเหนี่ยวใช่ไหมถ้ารอพระจิตเนี่ย ถ้าอารมณ์ใดที่เป็นสุภานิมิตอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินอารมณ์ที่น่าพอใจโลภะก็เข้าไปยึดติดมันก็คิดไปนในกลุ่มของโลภะมีความอยากมีความต้องการมีความทยานอยากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะมันไม่มีสติไปคอยกํากับว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ดีงั้นะไอ้ตัวจิตก็จะไปยึดแล้วก็จะไปปรุงแต่งไอ้ตัวสังขารทั้งหลายคํ้ามาสังขารในที่นั้นคือก็ปรุงแต่งจิตเนะี่ เขาก็จะปรุงแต่งและสร้างความเพิดเพลินใหญ่ฉะนั้นคนบางคนเนี่ยนะแค่วัตถุชิ้นเดียวเนี่ยเขาสามารถเกิดความโลภได้อย่างมหาลานอย่างยกตัวอย่างมัีคนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไปพอเขาเห็นแค่ว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาก็มานั่งคิดแล้วว่าถ้าเขาผลิตวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยต่อมาเขาก็จะเป็นใหญ่ในการที่จะได้เงินจากวัตถุชิ้นนี้ ให้ความโลภของเขาเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งอย่างมีกําลังมากขึ้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยทําให้จิตนั้นเกิดอยู่ตลอดเวลาจิตก็จะคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้นๆคำถามบอกว่าถ้าอารมณ์ใดเป็นปฏิฆานิมิตคือสิ่งที่ตนเองไม่ชอบเนี่ยอารมณ์นั้นก็ง่ายต่อการที่จะเป็นพยาบาทคือเป็นปัจจัยเกิดความโกรธความไม่พอใจความไม่สบายอย่างนั้นเขาเรียกว่า จิตที่ปราศจากสติงนั้นจิตที่ปราศจากสติเนี่ยเขาจึงเรียกว่าประมาททั้งบอกว่าออกคิดออกนอกลู่นอกทางความคิดก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านใช้การอะไรไม่ได้เหตุที่เราเอาความคิดมาใช้ประโยชน์ได้ในประจำวันนั้นเพราะจิตนั้นมีสติคอยกระตุ้นให้นึกถึงตนอยู่เสมอในการที่จะทาจะพูดจะคิดเป็นตน้นลักษณะของความไม่ประมาทนั้นเป็น อาการของจิตอย่างหนึ่งซึ่งชักนําจิตให้คิดรอบคอบจะกระทากิริยาทํากิจอะไรก็ตั้งใจทําไม่ทําทําหยุดหยุดทำอย่างเอาทุระทํางานเป็นชิ้นเป็นอันตั้งใจมุ่งมัน่นประกอบอันนี้เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะนั้นจิตที่มีสติกํากับอยู่เสมอในขณะพูดหรือคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นความไม่ประมาทเขาบอกว่า คนที่มีสติในเวลาคิดก็จะคิดดีเวลาจะคิดเรื่องอะไรก็คิดไปในทางดีนะมันเป็นไปกับกุศลถ้าคิดเนี่ยไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลมาอยู่ในใจหรอกอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าสติเกิดบางคนอาจจะไม่เป็นนะเจริญสติไม่เป็นหรอกแต่ว่ารู้ว่าถ้าทําแบบนี้แล้วตนเองสบายใจแล้วมีความสุขก็ทําก็ไม่รู้ว่าลักษณะของสตินั้นเป็นยังไงถ้าลักษณะของสติเขาระลึกอยู่ในกุศลธรรม แล้วก็พยายามเชื่อมต่อกุศลธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำใจให้เป็นไปกับกบุศลอันนั้นไม่ใช่สติไม่ใช่สติสติจะต้องเป็นไปกับกุศลเท่า น, นั้นอันนี้หมายถึงคําสอนแต่ถ้าทางโลกนี่ยไปยิงนกตกปลาเขก็เรียกสติแต่ที่จริงมันไม่ใช่ถ้าทางคําสอนเขาเรียกมิจฉาสติเป็นระลึกผิดในที่นี้ท่านเน้นตัวสัมมาสติ ความไม่ประมาทเป็นมูลเหตุสำคัญที่สนับสนุนความดีให้งอกงามฉะนั้นนตัวสติเนี่ยเป็นมูลเหตุที่สำคัญเนี่ยไอความดีนี่นะมันจะงอกมันจะขยับขยีอนหรือมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นี่ต้องอาศัยสตินั้นเป็นเป็นมูลเหตุคำว่าเป็นมูลเหตุคือเป็นรากเป็นรากเงาของกุศลนั้นต้องอาศัยสติเนี่ยนเป็นมูลเหตุเพราะว่า เมื่อสติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะทำลายความช่วยให้หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรามองไม่เห็นอะไรที่จะเป็นมูลเหตุสำคัญเหมือนความไม่ประมาทนี้เลยและช่วยสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอากุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสิ้นไปได้คือพระพุทธเจ้ามองเห็นนะว่าอไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทใช่มความไม่ประมาทนี่เป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลายวะ เป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลา ย, ยก็แปลว่าการมีสติเนี่ยเป็นยอดของกุศลธรรม ท, ทุกชนิดอันนี้ก็เป็นข้อบ่งบอกแล้วว่ากุศลทุกชนิดเนี่ยต้องเริ่มต้นว่าต้องเจริญสติคือสติเนี่พูดกันมากใช่ไหมแต่พอมาถึงขั้นตอนในการที่จะเอาจริงเอาจังในการที่จะเจริญขึ้นมาเนี่ยทําไม่ถูกไม่ ร, มรู้จะไปตั้งหลักตรงไหนเนี่ ย, ยทีนี้ส่วนความประมาทเนี่ยนะเขาเรียกคืออาการเมาทางจิต ปล่อยจิตส่งเสริมจิตไปในกามาคุณเช่นส่งจิตไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใครน่าชอบใจตลอดถึงการกระทาทุจริตทางกายบางทางวาจาบางทางใจฉะนั้นความประมาทนั้นเป็นทางแห่งความตายคือตายจากุลความดนะีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุทักกาิกายบอกว่าในธรรมบทนั้นน่ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาทเป็นทางเห็นความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตายผู้ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วทีนี้จริงๆมันตั้งแต่ระดับต้นเป็นถึงชั้นสูงนะเช่นถ้าสัมมาสติเนี่ยจากสติเบื้องต้นเนี่ยนีจะอุปการละแก่สติเบื้องกลางและเบื้องปลายันะ้นตัวสติเนี่ยจะอุดหนุนกุศลธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดจริงๆตัวสติเนี่ยจะอุดหนุนมรรคกุศลให้เกิดขึ้น คนเราถ้าหากว่าแทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ไม่ต้องไปตายอีกแล้วแต่ถ้าประมาทเนี่ยถึงมีชีวิตอยู่ก็ตายแล้วก็จะต้องตายในสังสารวัฏอย่างไม่มีวันจบสิ้นเนือเอาสิพระพุทธเจ้าก็ละลึกพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ละลึกไปในสังสารวัฏนั่งละลึกยังไงเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นเลยว่าเบื้องต้นมันจะมีคือว่า แค่จะระลึกชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยด้วยสติอันแรงกล้าเนี่ยเนยตามระลึกไปเถอะถึงแม้จะมีผร้ชนอยู่ตลอดร้อยปีสองร้อยปีก็ระลึกไม่หมดชีวิตแค่คนคนหนึ่งเนี่ยเนยมันยาวนานกันเสียเวลาเปล่าเงีน้ น, นั้นสังสารวัฏเนี่ยหาเบื้องต้นไม่พบถ้าจะคิดไปเบื้องไปลนยเนี่ยว่าเออเนี่ยที่เราทำกรรมกันทุกขณะจิตเนี่ย ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่จบฉะนั้นถ้าหากไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ไม่เจริญสัมมาสติให้จนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็บรรลุมรรผลนิพพานเนี่ยก็ไปตายกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าที่เรานั่งกันอยู่ก็ที่กองกระดูกของเราครนี่ถ้าเราลึกลึกได้นี่เราจะนั่งเศร้าโศกกันสักวันใดใช่ไหมเย้าเนี่ยกำลังนั่งทับกองกระดูกของตอนเองกําลังหัว เ, เราะลื่นเลรอ ง, รอ ง, รองชื่นใจยอยู่แต่จริงๆที่ไหนได้นั่งอยู่บนกองกระดูกของตอนเอง ไม่มีสักอ น, นูเลยในแผ่นดินเผื่นี้ที่จะไม่มีกระดูกของเราจะไม่ใช่หลุมฝังศพของเราทีนี้บ ว, ว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตายผู้ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็คือผู้ที่ตายแล้วทําไมบุคคลผู้ประมาทจึงชื่อว่าเหมือนตายแล้วอัตถคตาจารย์ท่านก็แก้บอกว่าเพราะเขาไม่สา ม, มารถที่จะให้สําเร็จได้ และไม่มีความลำพึงไม่มีความตั้งใจเราจะให้ทานเราจะรักษาศีลเราจะรักษาอุโบสถหรือจกทํากรรมอันดีงามอื่นๆท่านจึงเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นผู้ตายแล้วเพราะอะไรคุณความดีฉั้นคนประมาทเนี่ยคนมีสติเลื่อนลอยเนี่ยเขาไม่ได้คิดนะว่าอ้วันนี้เราจะให้ทานเท่านี้นวันนี้เราจะสมาทานศีลวันนี้เราจะรักษาอุโบสถกรรมเขาไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกเขาลืมหมด หลงละเลงไปตามวัตถุได้ปลื้มใจปล่อยชีวิตให้เลี่ยราดไปวันวันหนึ่งกันนั่นแหะหน้าเดียที่ผ่านมาหลายท่านก็เคยเป็นใช่ไหมใช่บางทีล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้ก็ไม่วั น, ว, นวันก็ไม่มีอะไรไมไ่ไปคิดอะไรมากุ้งกันเลยหมือนวันก่อนก็ถามแล้วว่าเออสมมุติถ้าเราไปไหว้พระที่ต้นศรีมหาโพธิ์ที่ตัดรู้ของพระพุทธเจ้ากับการที่เราไปไหว้พระตามที่ต่างๆเนี่ยบุญได้เท่ากันไหย เออที่ที่สองที่สองที่ต่างๆเหล่านี้มันแตกต่างกันไหมท่านก็บอกไม่ต่างอาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงๆนราคิดผิดที่ตรงนต่างที่ที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เนี่ยที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้านั้นน่ยหลังจากตัดสรู้หรือก่อนที่จะตัดสรู้พระพุทธเจ้าเข้าสมาบัตสองล้านสี่แสโกศสมาบัตในะที่ตรงนั้นแล้วเมื่อเข้าเบสเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงสวยมุติสุข อยู่ที่ละเจ็ดแห่งเจวันเจสั ป, ปดาห์สีวันนั้นบริเวณโพธิมณฑลบริเวณรอบๆนะั้นที่พระพุทธเจ้าทรงบริโภคทรงใช้สอยพระองค์ทรงอยู่ด้วยสมาบัติชั้นสูงและอยู่เป็นล้านล้านสมาบัติที่บริเวณในที่ตรงนั้นจึงเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเมื่อพระพุทธเจ้าปินิพผ่านแล้วเนี่ยเทพระดับชั้นสูงอะลัขาหมดเลยถ้าใครไปนะที่ตรงนั้นเนี่ยต้องระลึกให้ได้ ทีนี้ได้ข้อมูลคําสอนน้อยเนี่ยมันก็ระ ล, ลึกตรงนี้ไม่ออกก็เลยมองเห็นว่าโอ้ไม่ต่างที่จริงต่างไม่ต้องอะไรแล้วอย่างคนที่เขาเชื่อกันผิดผิ ด, ผดถูกถูกอะไรก็แล้วแต่มีเกจิบางองค์ใช่ไหมมีพระองค์องค์หนึ่งเ้านั่งจับจับก็ท่องซ้อมซ้ำคันก็โยนไปมันยังขังเลยแล้วลองคิดดูที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติชั้นสูงไม่รู้กี่ล้านสมาบัติลองคิดดูทรงบริโภคทรงใช้สอ ย, สอย แม้นดินเม็ดหนึ่งก็ก็ศักิศึกเข้าใจใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้มันต่างจากที่เรานี้เยอะแยะแค่ไปในความรู้สึกก็ต่างแล้วก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ภายนอกเขาเรียกปกะตูวันิสยาเข้าไปเขาเรียกประตโคซาปัจจัยก็คือว่าเป็นปัจจัยเจ็เกื้อหนุนแก่กุศลในใจเราได้เป็นอย่างดีที่ที่ยิ่งมีความสักศึกสูงมีอนุภาพมาก ที่ตรงนั้นก็เกื้อนหนุนต่อการที่จะเจริญกุศลได้อย่างดิ่งอย่างแนบแนบ่ทําไมเวลาคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยไปฟังธรรมอากพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนฟังแล้วไม่กระพิบหรือจิตไม่หลุดไปจากทางอื่นเลยคนก็ไม่ค่อยเชื่อกันก็เลยวันก่อนก็ยกตัวอย่างวันก่อนก็ไปบรรยายบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเร็วมากผ่านนนพูดได้สิบหกคำเนี่ยเราพูดได้คํา แต่ถ้าพระพุทธเจ้านะ่ยพูดได้30มสิบคำหรือเป็นไม่รู้กี่คำนะํำเนี่ยพระพ่านนท์จะพูดได้คาเขาบอกโอเป็นไปได้ยังไงก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าประธานาธิบดีของสหรัฐจอห์นเอฟเคนเนดีนพูดนาทีหนึ่งสอยยี่สิบามคำถ้าไมทําได้ใช่ไหมเวลาไปอภิปรายที่ไหนคนตกตะลึงกันโอ้โหพูดยังไงเจริดแล้วพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ต้องเอาไปเทียบบุคคลที่เป็นปุถุชนอย่างเนี้น นั้นต่างกันเนยอะฉะนั้นพูดเร็วจริงๆพระเจ้าพระชีวหาของพระเจ้าเนี่ยอ่อนพูดได้เร็วมากนี่เป็นอย่างนี้นึทีนี้ความไม่ประมาทประการที่สองเขาเรียกว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดอันนี้ว่าเราควรศึกษาความสําคัญธรรมในประเด็นต่างต่อไปก็คือว่าคําว่าธรรมโดยทั่วไปหมายถึงสิ่งของหมายถึงสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่มีรูปร่างเรียกว่ารูปธรรมเนะแล้วก็ไปคือคําว่าธรรมเนี่ย มันแปลว่ารูปธรรมก็มีแปลว่าอารมณธรรมก็มีเช่นว่ารูปธรรมก็คือรูปอรมณธรรมก็คือนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเ น, น, น, นี่ยสภาวะธรรมบ้างบางทีก็เรียกชาติธรรมบ้างแต่ในมงคลข้อนี้คําว่าธรรมหมายถึงเหตุที่จะต้องประกอบให้เกิดผลการณียกิจอันเป็นหน้าที่ซึ่งจะทําพูดคิดให้เกิดผลทั้งหลายเรียกว่าเหตุความไม่ประมาทในธรรมจึงนับว่าเป็นความไม่ประมาทในเหตุ ทีนี้กรณียาเกตที่จะต้องทําให้เกิดผลนั่นเองจะนํามากล่าวพอเป็นแนวทาง5ประการเนี่ยนะก็คือว่าหนึ่งไม่ประมาทในเวลา2ไม่ประมาทในวัยสไม่ประมาทในการงานสี่ไม่ประมาทในการศึกษาหไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม ไม่ประมาทในเวลาก็คือว่าโอ้โหเห็นเ ว, เวลาเนี่ยเนะียเรื่องเวลาเนี่ยสองคนเนี่คืออย่าปล่อยเวลาเนีมันผ่านไปผ่านไปโดยไม่ได้ทําไม่ได้เจริญกุศลอะไรเลยเนี่ยเนะียโบราณก็พูดเป็นกรอนก็ว่ายังจำเวลาและวาลีไม่ได้มีไว้คอยใครก็าพูดกันนะฟังแล้วก็ ค, ำคำําำๆเรือเมและรถไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอและอื่นๆก็จะพลาด ก็จะไม่สมปราถนาพลาดแล้วจะโศกาหนิจาเราช้าไปพวกคือ บ, บางทีพวกแม่รู้อย่างนี้แล้วมันช้านะไอคำประมาทในเวลาเนี่ยเคยเคยเกิดหลายครั้งแม่ถ้ารู้อย่างนี้เรียนตั้งแต่เด็กๆก็ดีไปแล้วอันนี้เรื่องประมาทใ น, านกา ร, ารกา ร, า ศ, การาศึกษาประมาทในวัยก็คือว่าเนี่ยวัยที่ควรจะศึกษาใช่ไหมคนจะศึกษาพระธรรมเนี่ยไอที่จริงศึกษาพระธรรมเขาให้ศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย มางคนนู้นไปศึกษามาชิมเมื่อวัยอย่างธรรมาเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยศึกษามาชิมเมื่อวัยวัยกลาไม่ได้ศึกษาปฐมเมื่อวัยด้วยนะจะกล่าวถือว่าประมาทในไว้อยทาไมต้องไม่รู้แต่อย่างดีท้องคนศึกษาประชิมเมื่อวัยไปเจอยอมอยู่ท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบกว่าแตวผมนี่เสียใจจนทุกวันนี่ก็ถามทำไมผมอ่าน สมัยก่อนอ่านเที่ยวเดียวก็จําเดี๋ยวนี้อ่านสิบเที่ยวก็ลืมยี่สิบเที่ยวก็ลืมงนั้นเนี่ยฟังท่านพูดตอนเนี้นะพอท่านลุกไปผมก็กองไว้ตรงนี้ ก, ก็ลืมทุกทีเลยพวกนั้เนี่ยเขาเรีประมาทในวัยไอ้ไัยวัยนี้มันจะไม่ไหวแล้วบางทีแต่บอกว่ายอมยังดีนะบางคนนะอุไม่ได้ศึกษาสักวัยเลยทั้งปฐมวัยมาชีมมาวัยปัจฉิมมาวัยประมาทในการงานก็คือว่า เรื่องการงานควรจะทําการงานอย่างไรในประกอบอาชีพยอย่างไรประมาทในการศึกษานั้นก็ไม่ศึกษาคำสอนแล้วก็พอมาปฏิบัติธรรมก็เลยปฏิมาประมาทในการปฏิบัติธรรมเลยบอกวันนี้ ท, ทําแต่น้อยไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรมากประการที่สมคือคนผู้ไม่ประมาทคนผู้ไม่ประมาทคือคนผู้มีสติกํากับตัวคอยระมัด ร, ระวังอยู่ทุกกรณีคนผู้ไม่ประมาทมีสติกํากับอยู่เสมอเนี่ยนะ ในคําสอนเนี่ยเช่นในอิริยาบถบาปในสัมบัญญับาปเนี่ยในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการคู่ในการเหยียดเนี่ยเขาจะมีสติมีสัมชัญญัติกกับไปอยู่เสมอเลยถ้าอย่างนี้เขาเรียกไม่ประมาทแม้ขนาดที่จะก้าวไลยเช่นจิตที่คิดจะเดินเห็นไหมแล้ววาโยท่าก็พัดผันไปในการละชกายก็ทําให้อวัยวะกล่าวคือขา มีการก้าวไปข้างหน้าอวัยวะส่วนบนมีหัวและกายท่อนบนก็มีการโน้มไปข้างหน้าก็เรียกว่าการเดินก็รู้จิตที่คิดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปรู้วายโยธาที่พัดผันไปในกัรยากายรู้อิริยาบถในการก้าวเดินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกมีสติในการก้าวไปในการถอยกลับเป็นต้นแม้ในการนั่งเนี่ย น, นะเช่นถ้ามีการโน้มไปข้างหน้าก็เรียกว่าก้าวไปข้างหน้านะ นั่งเรามีการโยกไปข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกมีการก้าวเพราะการที่จะโยกไปข้างหน้าได้จิตต้องคิดก่อนใช่ไหมแล้วก็มีการโน้มกายไปข้างหน้านี่เป็นนั่นคือก้าวไปข้างหน้าถ้าโยกมาข้างหลังนี่เขาเรียกว่าถอยกลับนะทั้งๆ ท, ท, ท, ที่อยู่ในอิริยาบทนะสมงคลจากความไม่ประมาทหรือความไม่ประมาทในมงคลในะอย่างไรความไม่ประมาทในวัยในการงานในการศึกษาในการปฏิบัติธรรม เมื่อสรุปลงแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทโดยฐานะสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเข้าไว้พระพุทธเจ้าแสดงเข้าไว้บอกว่าไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายยโสจริตไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดก็ทําความเห็นให้ถูกนี่ก็เรียกว่า ละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตลวาวัจีทุจริตประพฤติวัจีสุจริตละมะโนทุจริตประพฤติมโนสุดจิตแล้วก็ละความเห็นผิดเจริญสัมมาทิฏฐิอันนี้เขาเรียกไม่ประมาทเขาเรียกว่ามีสติเมื่อได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสฐานนะแล้วย่อมเป็นผู้เ ก, กล้าไม่กลัวแม้ในความตายอาลองลองดูสิเนี่ถ้าใครมีฐานะสีประการอยู่ประการเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่กลัวตายน แล้ไม่ใช่ไม่กลัวตายแบบโทสะนี้วันก่อนก็ฟังคนที่เขาเป็นทหารเขาบอกเขาเคยออกรบที่เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ออกรบในลาวออกรบในไหนออกรบมาเยอะไปภาคตุงัภาคใต้เป็นยอดในพลเอกเลยเนึงเขาก็าบอกว่าเขาเคยถูกล้อมถูกล้อมอยู่ในป่าบ้างมีคน พวกเวียดนามตามฆ่าบางอะไรบ้างนเนี่ยเนี่ยก็ใหม่ใหม่ก็กลัวตายมาจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วแล้วก็วบอกเขาเกิดมาในี่ยเฆ่าคนมาเยอะเขาก็ถามบอกว่าท่านคิดว่ามันเป็นบาปไหมเนี่ยที่ว่าท่านไปฆ่าคนเยอะเนี่ยท่านคนนี้ก็บอกว่าไม่บาปว่าเพราะว่าฆ่าเพื่อชาติเนี่ <c oughs> นนไมเนี่ยมันมีมันมีอยู่สูตรหนึ่งหนึง น, นี่จําชื่อสูตรไม่ได้แล้ว ก็มีท่านผู้หนึ่งเป็นทหารนี่แหละเป็นทหารมา้าก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเป็นไม่ใช่ม้าเหล็กเนะี่ยเป็นม้าอี่ขี่นี่แหละก็เฝ้าพระพุทธเจ้าว่าตนเองเนี่ยฆ่าคนมาเยอะลบเพื่อชาติมาเยอะจิตใจก็เหมน็นเนาะว่าตนเองมีความสุขแน่นอนแล้วเพราะว่าทําเพื่อชาติเนี่ยจะต้องได้ไปเกิดบนสวรรค์ก็ไปถามพระเจ้าเ้าไปตายไปแล้วในตนเองควรจะไปเกิดในชั้นไหนดี ยิ้ไปถามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ตอบมันนะก็ขยันขยอยให้ตอบพระเจ้าก็เลยบอกว่ากายกรรมที่ทุดเฉลต์วิจิกรรมดุดเฉลต์มโนโกรรมทุดเฉตเนี่ยอบายทุกขติวินิบาดนรกน ะ, ะถ้ามีถ้าทํากรรมลักษณะอย่างนี้ไปเกิดเป็นสันนิบาตถ้าหากว่ามีความเห็นอย่างนี้เข้าด้วยเนี่ยเห็นว่าทําแบบนี้แล้วจะได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์เป็นต้อนอะไนี่มีขติสอง ไม่สัตวเดรัจฉานกษัตย์นรกก็มีแค่นี้ไอ้ตรงนี้ไปพูดก็ไม่ได้นะตรงนี้พูดก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดการกระทบกระเทือนเนี่ยลำบากใช่ไที่ที่จริงมันการฆ่าเนี่ยจะฆ่าด้วยเหตุผลอะไรก็คือฆ่าเนีย่ยท่านผูนี้ก็บอกว่าเขาในชีวิตเขามาเนี่ยเขาเคยอยู่หน่วยล่าสังหาร น, นับไม่นับสมไม่ท้วน ก็ภูมิใจได้วนะทุกคนยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ออกไปแล้วเกษียณได้เยอะเขาภูมิใจแล้วเกิดมาได้รับใช้ชาติก็ภูมิใจหน้าภูมิใจไหมโทษของความไม่รู้นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นเหตุหรือเป็นอุบายรักษาจิตสี่สถานนะก็คือว่าความไม่ประมาทเนี่ยนอกจากจะ สรุปไว้ในฐานะสี่ประการดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ประมาทนี่ยังเป็นเหตุด้วยนะเป็นอุบายด้วยเป็นเหตุเป็นอุบายเป็นเครื่องรักษาจิตสถานะสี่ประการคือไม่กำหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเน้นแต่คนไม่ประมาทนี่นะอารมณ์ใดที่จะเป็นปัจจัยเกิดความกำหนัดความยินดีนี่เนะี่ยจะไม่กำหนัดเพราะมีสติกำกับอยู่กับจิตจิตก็จะไม่กำหนัด ไม่ขัดเคืองนะเรามันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเพราะเจอปฏิฆานิมิตเนี่ยนะเจออารมณ์ที่น่าจะขัดเคืองน่าจะเกิดโกรธพยาบาทก็ไม่ขัดเคืองก็ไม่โกรธก็ไม่ฟุง้งซ่านไม่หลงในะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงอารมณ์ใดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความหลงคือคิดไม่ออกเล네ยนะ ม, มัวเมาเนะี่ยก็ไม่หลงไม่มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเสรุปก็คือว่า ไม่กำหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่มัวเมาในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายดังที่กล่าวมาเนี่ยดำรงตนอยู่ในสุจริตธรรมมีความสงบสุขไม่มีทุกมิไม่มีความเดือดร้อน แล้วก็อบรมจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะย่อมเป็นผู้หลุดพ้นจากชาติทุกชราทุกโมรนะทุกโสกาปริเทวะทุกขโทมนาาัสะและอุปาญาติคนประเภทนี้จะไม่สะท้านไม่หวั่นไหวเพศภยัยใดๆทั้งสิ้ น, นเป็นคนไม่ประมาทในวัยในการงานในเวลาในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมฉะนั้น ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลด้วยประการอย่างนี้อันนี้ความไม่ประมาทที่จริงในความไม่ประมาทเนี่ยถ้ากล่าวไปก็คือเอาสติมาเก่าไว้เยอะนี่เป็นอย่างนี้นะนี่จบไปแล้วในเรื่องของมงคลก้อ น, นี้ประการต่อไปก็คือว่ามงคลคาถาที่เจ็ดมงคลที่ยี่บสองความเคารพหนึ่ง ในคาถาที่เจดเนี่ยมีอยู่ห้ามงคลนะความเคารพความประพฤติถ่อมตนความสำโดกแล้วก็ความกตัญญูการฟังทำตามการอัตคาถาท่านได้ให้ความหมายข้อแรกไว้สั้นๆไว้สั้นๆนะบอกว่าคาระวะเนี่ยคาระวะเนี่ยความเป็นผู้หนักชื่อว่าคาระวะท่านให้ความหมายไวอย้อย่างนี้ให้ความหมายสั้นๆไวอ้อย่างนี้ทีนี้ก็ต้องไปดู คำว่าเคารพเนี่ยเออแยกศัพบหน่อยเนี่ยพอดีเน้นเรียนบาลีมาเดี๋ยวแยกถ้าแยกผิดแล้วเน้นช่วยบอกหน่อยพอพูดให้คนเรียนบาลีฟังต้องพูดเดี๋ยวคำว่าเคารพเนี่ยนียมาจากคารุสั์ในภาษาบาลีและสรรันสกฤตส่วนอีกในหนึ่งคำว่าคลาวะเนี่ยในมงคลก้อนนี้ท่านกล่าวว่า คาราวจะนิวาโตจะความเคารพและความถ่อมตอนตนี่นะเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นคําว่าครูที่เราใช้ภาษาไทยมาจากที่ภาษาไทยมาจากคําว่าครูหรือคารวะนี่แปลว่าผู้ที่ควรให้ความเคารพครูเนี่ยคา ร, ร, รุเนี่ยคารุซับเนี่ยมาจากคาว่าครูเนี่ยหรือคาราวะเนี่ยเขแปลว่าผู้ที่ควรให้ความเคารพแปลว่าผู้หนักแน่น ผู้เฟื่องฟูสูงเด่นเลิอดลอยเปิดเผยก็ได้นั้นความเคารพในเป็นระเบียบวินัยเป็นสริมงคลแก่ผู้กระทําอย่างแน่นอนทําให้เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นทําตนให้มีเสน่ห์น่าคบหาสมาคมด้วยเขาบอกว่าคนที่มีคารวะเนี่ยนะมีความเคารพเนี่ยรู้จักตนเองยอกย่องเชิดชูตนเองตามฐานะผู้ใหญ่ผู้ น, อน้อย มีความสามัคคีสนิทสนมกลมเกลียวมีเมตตากรุณาเอาเื้อเฟื้อเหนกเห็ น, หนใจซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าถ้าเราศึกษาในมงคลข้อนี้ท่นานแยกประเด็นไว้4ประเด็น 1. ลักษณะของความเคารพ 2. บุคคลและวัตถุควรเครารพ3ระเบียบแสดงความเคารพ4มงคลเกิดจากการแสดงความเคารพลักษณะของความเคารพนี่นะคือการแสดงอาการทางกายหรือทางวาจาต่อบุคคลและวัตถุ ที่ควรเทริดทูนยกย่องเป็นไปในตำนองให้เกียรติผู้นั้นสิ่งนั้นโดยการกราบไหว้การโค้งคำนับหรือกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนความรู้สึกอ่อนโยนอยู่ภายในซึ่งเป็นไปโดยสม่ำเสมออันนั้นเขาเรียกว่าลักษณะของความเคารพทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านระบุต่อบุคคลและวัตถุที่ควรเคารพไว้6ประเภทนะคือเคารพพระพุทธเจ้า เคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับพุทธคาราวตาธรรมคาราวตาสังคาราวตาสิกค า, าราวตาประมาณคาราวตาแล้วก็ปฏิสังขาฐานคาราวตาเป็นต้นทีนี้ยังยกตัวอย่างเช่นเราท่องว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าเคารพหรือนอบน้อมบ่ผู้มีอำนาจณโมตัสสาภคะวะตัวอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสนี่องค์ทำได้แก่อะไรถามมั้องค์ดำเอาสวดมาหลายปีแล้วองค์ทำได้แก่อะไรรู้ไหมใช่ไหมเราท่องจะเริ่มต้นที่เราจะท่องคาถาคมก็ต้องขึ้นณโมกันเลยเวลาจะสวดวนว่ายพระก็จะต้องนณโมตัสสาภคะวะโตัวอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสนเออแล้วณโมตัสสาเป็นต้นเหล่นี้องค์ทำได้แก่อะไร องธรรมของนาโมต่สามได้แก่บปานามาเจตนาคือเจตนาในการที่จะกล่าวนอมน้อมคําว่าปานามาเจตนาคือเจตนาในการที่จะกล่าวนอบน้อมบอกต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนี้อันนั้นคือเรีกเจตนาเจตนาที่เกิดขึ้นในใจนะไอตัวปนามาเจตนาในการที่จะนอบน้อมอันนั้นเป็นกุศลกุศลเจตนาหรือเป็นกิริยาหรืออัพยากตะเจตนา ถ้าเป็นกุศลเจตนาก็เป็นพวกปุตุชนเศรษฐาบุคคลทั้งหลายก็ต้องเป็นกุศลจิตเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการมีปนามาเจตนาคือในการกล่าวนอบน้อมกล่าวปนามกล่าวนอบน้อมพระผู้มีภาคจ้าอันนั้นเขาเรียกว่ากุศลเจตนาแต่ถ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าอัพยากราเจตนาฉะนั้นถ้าบอกว่าองค์ธรรมของนโมได้แก่อะไรก็คือตัวเจตนาที่เป็นกุศล ในการที่จะกล่าวโ น, น้มน้อมนี่เราก็ย้อนหาสิหาประทัดฐานอะไรเราเป็นประทัดฐานของกุศลเจตนานี้บอกโยนิโสมนัสิการต้องมีโยนิโสมนสิการนะคือคิดถูกทางถูกวิธีนะฉลาดคิดนะจึงจะสามารถโน้มน้อมได้ถูกแล้วอะไรเป็นปัจจัยแก่โยนิโสมนสิการนะ่ยการฟังพระสัทธรรมใช่ไหมอะไรเป็นปจัจจัยแห่งการฟังพระสัทธรรมการครบบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น อะไรเป็นป <emás> ัจจัยแก่การครบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นการอยู่ในประเทศที่สมควรอะไรเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นการอยู่ในประเทศที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าปบเพกตะปุญญตาการได้ทําบุญมื่กลาก่อนสรุปก็คือว่าการทําบุญในปางก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดในประเทศที่สมควรการอยู่ในประเทศที่สมควรทําให้ได้พบพระพุทธเจ้าการพบพระพุทธเจ้าเป็นต้นสาวกของพุทธเจ้าเป็นต้นทําให้ได้ฟังประสาทธรรม การฟังพ so ัสสัตธรรมทำให้เกิดโยนิโสมนัสิการโยนิโสมณัสิการก็เป็นปัจจัยให้เรากล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าวรณาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะทีนี้พอกล่าววรณาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรปีติก็เป็นปัจจัยให้เกิดเออเขาเป็นปัจจัยเกิดปลาโมด ปลโมดก็เป็น <Jub> ป <ilee> ัจ <use> จัยเกิดปีติปีติเป็นปัจจัยเกิดปัสสธิปัสสติเป็นปัจจัยเกิดสุขสุขก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยเกิดยถาภูตญาทัทสนะยถาภูตยาณทัทสนะเป็นปัจจัยเกิดนิพิทานิพิทาเป็นปัจัยเกิดวิราคะวิราคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิมุตติวิมุตติก็เป็นปัจจัยเกิดอะไรอนุปาทาปรินิพานก็จะได้นิพานสักที แต่ตอนนี้ถึงตอนไหนแล้วกล่าวน้โมอยู่หรือเปล่ายัางเดินน้ำโมโอยังไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องสาวหาประธาฐานของคําสอนยี่เนี้ยลักษณะของความกโลกจะเป็นไปลักษณะนี้ปีตินั้นเป็นความปลาโมดนั้นเป็นความอิ่มอิ่มใจอย่างอ่อนแต่ถ้าปีตินั้นเป็นความอิ่มใจอย่างแรงกล้าความปลาโมดนี่อิ่มใจแบบอ่อนอ่อนขึ้นมาแต่ถ้าปีติเนี่ยมีขุตกาปีติอุเพงคาปีติพัฒนาปีติเป็นต้น เขาเขาเาแก่กล้ากว่าสรุปแล้วก็คือว่าเราจะได้ลักษณะความเคารพอยู่สามประการหนึ่งเคารพตนผู้รักตนมุ่งทำความดีเว้นชั่วเพื่อให้คนมีความเจริญเพื่อให้คนมีความเจริญก้าวหน้าปลอดจากเวรภยัยมีความสุขความสำราญเย็นใจนี่คือความเคารพตนเคารพผู้อื่นผู้นับถือรักใครมีอัธยาศัยน้ำใจกว้างมุ่งทาความดีแก่กันเอาใจใส่ ใจเขาใจเราเนี่ยเขาเรียกเคารพผู้อื่นประการที่สคือเคารพธรรมเคารพธรรมก็คือเคารพพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในประสงค์เคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในการปฏิสันถานเป็นต้นนี่เนี่เขาเรียกเคารพธรรมเพราะว่าหน้าที่และความเที่ยงตรงชื่อธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้เป็นอย่างนี้ประการต่อมาคือบุคคลเช่นไรควรเคารพพระพุทธเจ้า ใช่ไหมควันเคารพพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์อุปชาพระมหากษัตริย์ท่านผู้เป็นใหญ่เหนือตนปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาลุงเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะอันนั้นก็เคารพกันตามฐานา น, ะนุลูกก็เคารพแต่ว่าถ้าพระพุทธเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกเอาพี่วันทางเคารพพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นต้นแต่ถ้าเคารพพ่อแม่ปูย่ย่าตายายอะไรต่างๆ ถ้าเคารพพี่ป้านน ะ, ะก็ลดไหลกันลดหลันกันมาตามฐานะวัตถุเช่นไรควรเคารพวัตถุควรเคารพได้แก่พระธรรมการศึกษาความไม่ประมาทการปฏิสันถานถนะ้าเจดีทำมาเจดีบริโภคเจดีอุเทสกาเจดีเป็นต้นอันนั้นเขาเรียกว่าสิ่งที่เราควรจะเคารพทั้งนั้นเลยควรจะสักการะควรจะกราบไหว้ควรจะบูชาอาไรหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าคือพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะเนี่ มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกันในเรื่องของที่ต้นสีมหาโพธิ์แล้วคุณยมคเน่ได้ไปที่สาวัตถีไปใช่ไหมที่สาวัตถีเนี่ยมีต้นโพได้ ไ, ไว้ต้นโพ์ที่พระอนุภนนท์ปลูกประวัติความเป็นมาตรงนี้เนี่ยต้นโพเนี่ยในสมัยครั้งพุท ธ, ธกาลเนี่ยท่านพระอา น, นุ์ได้ปลูกต้นโพไว้ที่วัดเชตวันเป็นที่สการาบูชาของมหาชนแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ไม่อยู่แล้วนี่มีเรื่องเล่ากัาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าหลีกจาริกไปตามชนบทเพื่อจะทรงส่งเคราะเวเนยัสัตว์ในชาวกรุงสาวัตถีทีนี้ว่าชาวเมืองสาวัตถีเ น, เนี่ยก็ถือของหอมดอกไม้เป็นต้นไปยังพระเชตวันคั้นไม่ได้บูชาสสารอย่างอื่นก็เอาวางไว้ที่ประตูพระคันตะโกดีแล้วก็กลับไปพวกเขาไม่ได้มีความปลามวดกันอย่างยิ่งเลย ท่านนาถาปินิกาเศรษฐีทราบเหตุแล้วจึงเข้าหาท่านบระนนในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเชตวันก็เรียนว่าท่านผู้เจริญเมื่อพระตถาคตหลีกจาริกไปพระวิหารนี้ก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยเลยก็เหมืที่เจตวันเนี่ยพุทธเจ้าจาริกไปที่อื่นแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยว่งงันมนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่บูชาด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นขอโอกาสเถิดเจ้าข้าขอท่านจงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระพุทธเจ้า แล้วจงทราบสถานที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่งถ้านนเถระก็รับว่าดีและแล้วก็ไปทูลเรื่องนี้แก่พระพุทธเจ้าพระศาสดาตอบว่า